วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพศ2539เป็นการบรรยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยาสาวกโดยอาจารย์สุเทพโชธิศรธาท่านสาธุชนผู้ใกล้ําที่ทคททเคารพวันนี้จะกล่าวถึงประวัติของพระอรหันต์สืบต่อจาก องค์ที่กล่าวถึงเมื่อกล่าวที่แล้วองค์แรกของวันนี้เราเริ่มกันที่องที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดสองรอสิบเอ็ดนะครับองค์ที่สองร้อยสิบเอ็ดมีชื่อว่าเตกิจฉกานิเถระพระเตกิจฉกานิเถระโดยชื่อคำว่าเตกิจฉานั้นก็แปลว่าการ เยียวยาการดูแลการรักษาคือการรักษาไข่ท่านเตกิชาการนี้เป็นบุคคลที่เกิดในสกุพลพราหมณ์ในช่วงหลังพุทธกาลคือในพุทธศตรวรรษที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในประวัติท่านจึงกล่าวว่าท่านเป็นชาวเมืองปาเตรีบุตรเมืองปาเตรีบุตรนั้นเกิดขึ้นหลังพุทธปริญิพานการจริงก็เกิดขึ้นตั้งแต่ สมัยที่พระเจ้าเตรียมการจะปรินิพพานอยู่แล้วนั่นแหละเออเมืองปาตลีบุตรนี้ เ, เป็นเมืองที่พระเจ้าชาติศัตรูได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากแควนมคตมาตั้งที่นี้และเมืองนี้ในตอนหลังได้กลายเป็นเมืองใหญ่เมืองสําคัญโดยเฉพาะพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนี้ทําให้เมืองนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอินเดีย <c oughs> ท่านเตกิจฉะนั้นเป็นชาวเมืองนี้เกิดในสกุลพราหมณ์แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยหลังพุทธบปณิพานแล้วคือสมัยของพระเจ้าพินทุสารพระเจ้าพินทุสารนั้นเป็นอพระราชบิดาของพระเจ้าอาโศกมหาลัอในตำรานั้นก็ได้บอก ชื่อพ่อไว้ด้วยเราก็เอ่ยชื่อพ่อให้ได้ยินเสียงเท่า น, นั้นแหะครับว่าพ่อของท่านเตกิจามีชื่อว่าสุพุทธะสุพุทธ ะ, <c oughs> ทธะนั่นจะแปลว่าผู้มีปัญญาดีผู้มีความตื่นดีก็ได้คล้ายๆกับสุปปพุทธะที่เป็นชื่อของพ่อตาพระพุทธเจ้าหรือสุปปพุทธกุฏิซึ่งเป็นชื่อของอบุคคลคนหนึ่งที่เป็นโลค ก, กุฎถังในสมัยพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคล <c oughs> เหต ท, ที่ท่านได้ชื่อว่าเตกิจฉะที่หมายถึงการรักษาหรือการดูแลรักษาโรคเนี่ยก็เนื่องจากว่าพวกญาติเห็นว่าท่านผู้นี้นะเมื่อสมัยที่มารดาตั้งครรภ์และเมื่อคลอดเป็นเด็กอยู่นั้นได้รับการดูแลรักษาบริบาลครรภอย่างดี จากพวกหมอที่มีความรู้ในเรื่องของการประดุงคันให้ได้รับความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมจากนิมิตหมายอันนี้จึงได้กลายมาเป็นชื่อของท่านว่าเตกิจฉอที่เป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุปกรรมเก่าที่ท่านได้ทำไวแต่ครั้งอดีต อข้อนี้อธิบายว่าคนบางคนเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หาที่พึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่มาดูแลก็ดีหรือว่าหมอไม่อาจจะหาหมอได้หรือหมอที่ได้ก็เป็นหมอที่ไม่ดีบางทีก็เป็นไข้เจ็แต่แรกนิดเดียวแล้วก็ไปเจอหมอที่ไม่ถูกโรคหรือหมอที่ไม่ไม่มีความสามารถ ม, มีความเฉลียวฉลาดรักษาปิดวางยาปิดเรื่องเล็กเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ และในที่สุดก็ถึงเป็นถึงตายไปนี่เป็นเรื่องอกุศลวิบากแต่ว่าวางคนนถึงเป็นโรคร้ายแรงแต่ก็เจอหมอดี อ, อถึงไม่เป็นโรคอะไรก็มีคนเอาใจใส่อยู่ใกล้ชิดหมอเป็นกุศลวิบากเหมือนอย่าง ท, ท่านผู้นี้ครับท่านมีกุศลวิบากที่ได้ทําไว้ในครั้งสําคัญสมัยพระพุท ธ, ธวิปัสสรรีอได้กล่าวว่าออตอนนั้นตัวท่านได้สําเร็จวิชาเวชาศาสตร์เวชาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ย ทั้งวิชายาและก็วิชาการรักษารวมกันอยู่ในตัวเสร็จในบุคคลคนเดียวกันไม่ได้แยกเป็นสองสาขาเหมอือนสมัยนี้และท่านเองเนี่ยเป็นหมอที่มีอุดมการสูงอเหมือนกับหมอชิเหมือนกับหมอบางคนในสมัยนี้ซึ่งออกยาหาตัวได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ใายเป็นธุรกิจถ้าเป็นอย่างสมัยโบราณของไทยลรเนี่ย ก็ยังค่อนข้างหาง่ายครับหมอที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่ยคือเป็นเรื่องความผิดร้ายแรงและเป็นเรื่องที่สังคมไม่ค่อยจะอยอมรับก็นับว่าหาได้ยากซึ่งผิดกระสมัยนี้นะครับในความรู้สึกของเราเนี่ยนะผมคงไม่พูดเกินเลยไปนะครับทีนี้ท่านเองเนี่ยท่านเป็นหมอที่มีอุดมการและเป็นหมอที่สวัสดิบุญจากวิชาชีพเพราะฉะนั้นท่านจึงแบ่งการรักษา เป็นสองส่วนคล้ายหมอจีวกในส่วนหนึ่งก็คือรักษาพระพุทธเจ้ารักษาพระสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งพระอระหันต์มีทั้งพระอริยะบุคคลแล้วก็ลงไปถึงพระปุทธิชนท่านก็รักษาด้วยการสแสวงบุญเพียงอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นและนอกจากนั้นท่า น, นยังได้ทําการอนุเคราะห์ทางสังคมสงเคราะห์รักษาเกียรติคนทั่วไปโดยไม่ได้มุง่งค่ารักษา นะฮะคือทาเป็นแบบสแสวงบุญจริงๆจึงกลายเป็นบารมีติดตัวท่านมาทำให้ท่านเนี่ยมีคนที่ดูแลเอาใจใส่ในทางสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพดีด้วยเลยก็เลยกลายเป็นชื่อของท่านมาด้วยนะครับชื่อนั้นก็ได้มาจากวิบากที่ปรากฏของท่านในชาตินั้นนั่นเองอ่านี่เป็นเป็นเรื่องบุพกรรมที่เราควรจะรับฟังไว้ในเบือ้องต้น กรณีสาเหตุที่ท่านได้กลายมาเป็นนักบวชและได้เป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุดนั้นสาเหตุนมาจากว่าตัวท่านเองเนี่ยครับเป็นลูกของของพราหม์พราหมณ์คนนี้น่ ะ, ะเป็นพราหมณ์ที่มีความเฉลียวฉลาดถึงขนาดที่อาจจะกล่าวได้ ว, ว่าเป็นคู่แข่งคู่แข่งกับ อบุคคลที่เป็นมันสมองของพระเจ้าพินทุสารบุคคลหนึ่งคือจานักยะจานักยะวษางท่านอาจจะเคยอ่านประวัติของท่านผู้นี้มาแล้วในอินเดียนั้นมีนักปราวัตได้รวบรวมประวัติของจานักยะในฐานะที่เป็นมันสมองให้กับพระเจ้าแผ่ดินวงโมรยะโมริยาวงเนี่ยครับวงพระเจ้าโศกเนี่ยแต่ว่าเป็นคนก่อนสมัยพระเจ้าโศกอในบาลีนั้นท่าน เรียกว่าจานักกะสันตกฤตเรียกจานักยะเป็นบุคคลคนเดียวกันณเวลาเราอ่านประวัติของท่านผู้นี้น่ะก็พูดแต่ในทางบวกแต่ว่าพอมาถึงในมุมที่มาเกี่ยวข้องกับประวัติของพระองค์นี้แล้วเป็นเป็นคู่แข่งของผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็ปรากฏว่าจานักยะนั้นเป็นฝ่ายมีชัยคือสามารถที่จะ เรียกว่ายุยงส่งเสริมสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้ให้ให้ใหแก่ผู้ที่เป็นพ่อของพระอรหันต์รูปนี้นะจนกระทั่งผู้เป็นลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้คือพ่อเองก็ต้องหนีออกไปจากสังคมด้วยเกรงว่าราชภัยอาจจะมาถึงตัวจาก การยุยงของจานักกะหรือจานักยะผู้เป็นลูกก็ต้องพลอยหนีไปด้วยอันนี้เมื่อพ่อถูกจับได้เอาไปคุมขังลูกหนีไปอยู่กับพระอาหารหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าพระสัมพูตาสานวาสีในนี้ถ้าเรียกว่าสานาวาสีเฉยๆในประวัติศาสตร์โลกศาสนานั้นเรียกว่าสัมพูตาสานวาสีเราได้เคยเอ่ยถึงกันมาแล้ว เมื่อดูไม่ใช่เมื่อกล่าวก่อนนะท่านสามภูตะซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ไปอาศัยหลบอยู่ในสำนักของพระอรหันต์รูปนี้แล้วก็เลยได้เป็นโอกาสเรียนธรรมะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนกรรมฐานจนได้ศรัทธาบวชอยู่กับท่านเมื่อบวชอยู่กับท่านก็ได้ถือธุปดงควัตข้อหนึ่งคืออัปโพสนิกะ กังขาธุดงหมายถึงตุ้ดงที่อยู่ในที่แจ้งไม่มีที่มุงบังอันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่ขี้เกียจคนที่มีลักษณะของความง่วงเหงาหอนอนมากถือธุดงข้อนี้ช่วยได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเนสัตชิกังขาธุดงคือถือตุดงไม่นอนยืนกับเดินยืนเดินนั่งไม่นอนเรียกว่าเนสัตชิกังขาธุดง ทุ่งสองข้อนี้เหมาะแก่คนขี้เกียจครับขี้ง่วงและขี้เกียจให้ถือทุดงสองข้อนี้จะเป็นเครื่องบังคับได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งในที่สุดท่านได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ในสำนักของท่านสัมปูตสาณวาสีนี้นี่จากหมอหมอที่มีฝีมือดีในสมัยอดีตเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นลูกของบุคคลในระดับมันสมองของพระเจ้าแผ่นดินคือแต่เดนนี้เขาเรียกว่าเป็นองคมนตรีลูกองคมนตรีได้กลายมาเป็นผู้บวชและเป็นพระอาหารหันต์การมาบวชนั้นบวชหนีภัยอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่บวชบางทีวัตถุประสงค์เพื่อจะหนีภัยเนี่ยแต่ว่าในคนที่มีบารมีแล้ว เบื้องต้นนั้นบวชเพื่อห น, นีภัยหรือบวชเพื่อจะกินเหมือนอย่างบา ง, บางองค์บางท่านหลายองค์หลายท่านที่ผ่านมาแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีบารมีก็าอาจบรรลุทําได้ในจาลองเดียวกันคนที่บวช ด, ด้วยความปรารถนาดีคือบุพเพเจตนาดีแต่ว่าเป็นคนที่มีบารมีน้อยก็าอา จ, จไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็ได้เรื่องนี้จึงเอาแน่ไม่ได้ และพระพุทธเจ้าเมื่อจะมองหรือพระอาหารหันต์เมื่อจะมองเนี่ยท่านก็นจะมองลึกเข้าไปถึงสิ่งที่เป็นแก่นของบารมีที่อยู่ในหัวใจคนไม่มองที่ความรู้สึกข้างนอกไอ้ความรู้สึกข้างนอกเนี่ยบางทีเราก็ก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเราเทียบง่ายๆอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยมีความศรัทธาอย่างรุนแรงก็อย่าไปนึกว่าเป็นสิ่งที่เราไว้ใจได้ว่าคนอย่างนี้จะต้องเจริญในธรรม แล้วก็อย่านึกว่าคนที่มีความคิดค่อนข้างจะพิถีพิถันที่จะเชื่อเอเป็นคนที่เหมือนจะเป็นคน อ, ออกจะดือด้อเชื่ อ, อยากซะหน่อยเถียงมากซะหน่อยก็อย่านึกว่าคนพวกนี้ไม่มีอนาคตในการปฏิบัติธรรมซึ่งความจริงแล้วคนประเภทนี้บางทีเมื่อได้ลองสมาทานเชื่อถือแล้วก็เอาจริงเอาจังแล้วก็เจริญก้าวหน้าได้ดีกว่าคนพวกแรก ซึ่งบางทีคนพวกแรกนั้นไอความรู้สึกที่รุนแรงนะั้ถึงคราวจืดแล้วก็อาจจะจืดได้ง่ายก็ได้หันหลังให้วัดก็ได้นี่ก็เทียบให้เห็นเหมือนกับพฤติกรรมอย่างคนรุ่นรุนเรานี่นะครับนี่ประวัติของท่านคนนี้ก็มีท่านนี้นะครับมาถึงอีกองค์หนึ่งองค์ที่สองร้อยสิบสอง เรื่องลำดับตัวเลขเนี่ยบางทีเนื่องจากว่ามีหลายองค์จดไปจดมาตัวเลขบางทีก็ผิดก็ต้องคอยสอบอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้สอบมาเป็นที่แน่ชัดแล้วนะอะ่ลำดับตามลำดับชื่อที่ได้แจกเป็นเอกสารยืนไว้ที่เราใช้ติดมือมาหลายครั้งแล้วองค์ที่หนึ่งรอยสองร้อสิบสองนี้ชื่อว่ามหานาพระมหานาคเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัย แม่อายุสมัยอุทยาแล้วก็มีมีพระชื่อมหานาคที่เป็นเป็นเรียกว่าอํานวยการขุดคลองที่อยุธยาเรียกคลองมหานาคแล้วก็เอามาใช้เป็นชื่อคลองในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยในลังกาก็มีชื่อมหานาคเคยเล่าประวัติแล้วท่านมหานาคที่ลุกสิทธิ์มาตรมาน จนกลายเป็นพระอาหารหันต์ไปด้วยสำคัญเพาตัวเองนะ่ะได้ฌานอภิญญาแล้วก็นกึกว่าเป็นพระอาหารหันต์จนกระทั่งลูกศิษย์อคนหนึ่งมาใช้อุบายโปรดจนพิสูจน์ได้ว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่ก็ให้กรรมาฐานใหม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปมหานาคองค์นี้เป็นมหานาคในสมัยพระพุทธเจ้าท่านเกิดในสกุลพราหม์ชาวเมืองสาเกตเมืองสาเกตเราเอ่ยถึงบ่อยๆแล้วก็ กล่าวถึงมาโดยสังเขปแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหน อ, อในประวัติได้บอกชื่อพ่อไปด้วยว่าพ่อนั้นชื่อว่ามัทพุวาเศรษฐะก็แสดงให้เห็นว่าท่านผู้นี้เป็นวาเศรษะโคตซึ่งเป็นโคตที่มีชื่อเสียงโคตหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อตัวก็คือมหานาคนั่นแหละครับ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปที่เมืองสาเกตที่เมืองสาเกตนั้นมีอารามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอัญชนะวันคือป่าดอกอัญชันนั่นแหละครับชื่อเรียกว่าอัญชนะวันวันในแปลว่าสวนก็ได้แปลว่าป่าก็ได้เอเป็นที่ประทับของพพุทธเจ้าอยู่ใกล้เมืองสาเกต ก็คืออยู่นอกเมืองเหตุที่ท่านมหานาคารยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาและเข้ามาบวชเป็นพระไม่ใช่เพราะพระพุทธเจา้าแต่เพราะสาวกของพระพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งคือท่านพระเขาวัมปติท่านพระเขาวัมปติเราก็ได้เคยเอ่ยถึงแล้วนะครับท่านเขาวัมปติที่เป็นพระอรหันต์ที่ชอบหลีกเล่นที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชไง ที่ป่าไม้แห่งหนึ่งที่ไปพบกับอุตรมาไปพบกับพระเจ้าปายาสิมิชาทิติที่ตายไปแล้วก็ไปอยู่โดดเดี่ยวที่เสรีสกาวิมานท่านทุ้นี้ท่านมักจะหลบกลางวันพักกลางวันด้วยแปลงมิติคือนําตัวเองเข้าไปสู่มิติทิ่อยู่ที่นั่นได้ความคุ้นเคยแต่ดิศชาติของท่านท่านเป็นพระที่มีฤทธ อท่านมหานาคหรือมหานาคหนุ่มเนี่ยไปเห็นพระขวัมปติไปเห็นฤทธ์เห็นความสามารถทางอภิญยาของท่านก็เกิดความเลื่อมใสข้ อ, ขอนี้ก็เหมือนกันทุกสมัยนะครับความที่เราจะเลื่อมใสในปฏิหารเนี่ยเป็นของที่มีผลมีพลังมาตลอดนี่คนเลื่อมใสใปฏิหารเนี่ยจะมีอยู่สองระดับะระดับหนึ่ง เลื่อมสายปาฏิหารที่เกิดขึ้นกับพระแต่ตัวเองไม่ไม่มีความคิดที่จะทําให้ตัวเองได้ปาฏิหารนั้นก็คือเลื่อมสายอย่างคิดที่จะพึ่งปาฏิหารของพระอาศัยปาฏิหารของพระเนี่ยมาอํานวยประโยชน์อย่างอื่นที่ตัวเองต้องการจะเป็นเรื่องแสวงหาผลประโยชน์หรือบําบัดทุกบําบัดอุปสรรคในชีวิตที่ตัวเองมีอยู่ก็ตาม เหมือนอย่างเราเลื่อมสปฏิหารพระในยุคนี้ก็หาได้ยากเหลือเกินที่จะเลื่อมสในอีกลักษณะหนึ่งคือเลื่อมสอยากจะเป็นผู้มีปฏิหารเสียเองบางทีเรานึกว่าไอ้เลื่อมสอย่างนี้นะเหมือนเป็นการบังอาจตีเสมอพระตีตนเสมอพระหรือวัดลอยเท้าพระอหรหันต์ความจริงแล้วการเลื่อมสอย่างนี้นะในแง่ของธรรมะแล้วถือเป็นของดีกว่า เราได้เคยผ่านประวัติพระหรานองค์อื่นมาแล้วว่าที่ไปเห็นปาฏิหาริย์ของพระโมคคัลลานนะแล้วก็อยากจะมีฤทธิ์อย่างพระโมคคัลลานน ะ, ะความจริงคนอย่างรุ่นเราเนี่ยก็มีที่เลื่อมสายปาฏิหาริย์และอยากจะทาให้ได้แต่ที่เราเห็นมากก็คือพวกที่ไปเลื่อมสายปาฏิหาริย์ก็พวกอาจารย์ขลังโดยเฉพาะพวกคนหนุ่มเนี่ยนะฮะไปเห็นอาจารย์ก้กางๆแล้วก็อยากจะขลังบ้างอยากจะขลังอย่างอาจารย์ ก็ไปปปลูกเสกลงเลกยงลงยันอย่างที่ทำทากันในปัจจุาบันนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นลักษณะของทางธรรมะแท้คือออกออ ก, ออกไปไกลธรรมะหน่อยแต่ในกรณีของท่านมหานาซึ่งเป็นอีกองค์หนึ่งเหมือนกับอีกหลายๆองค์ในสมัยพุทธกาลเนี่ย ไปเห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระโมคคัลลานะก็ดีของพุทธเจ้าก็ดีแล้วอยากจะทำตัวเองให้ได้ปาฏิหารินั้นก็บวชไปเพื่อแสวงหาปาฏิหาริย์ถ้าเป็นกรณีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราผ่านมาหลายองค์แล้วนะฮะเช่นพระวังคีสก็ดีไปเห็นตัวเองนะ่มีความสามารถในทางเคาะกะโหลกแล้วก็รู้กติของเจ้าของกะโหลก ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอากะโหลกพระอาหารหันต์มาให้เคาะเคาะแล้วก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องเรียนพุทธมนต์การจะเรียนพุทธมนต์ก็ต้องบวชก็ามาแล้วเลยบวช้ามาเพื่อสแสวงหาวิชาสแสวงหาปฏิหารอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้การที่เข้าไปสแสวงหาปฏิหารนี้เขาเรียกว่าเข้าไปด้วยจิตใจที่นอบน้อม ไม่ใช่เข้าไปด้วยจิตใจที่โอ้อวดโอ้โอวดเหมือนอย่างบางคนนะฮะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเจริญในธรรมได้ก็เป็นอันว่าเลยบวชเข้ามาอยู่กับท่านขาวามปติแต่านขวามปติก็สอนธรรมะก็แน่แหละครับพระอรหันเนี่ยท่านรู้ว่าปฏิหารราคาแค่ไหนอะไรเป็นสาระที่ดีกว่าปฏิหารถึงท่านจะรู้ว่าผู้บวชต้องการปฏิหารท่านก็จะ ตรงเคราะด้วยการแทรกเสนอสิ่งที่เป็นสาระให้ในที่สุดตัวเองเมื่อได้ธรรมะแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสาระในที่สุดก็ลดหรือล้มความมั่นหมายในปาฏิหาริย์อย่างเป็นสิ่งคุณค่าสูงสุดในเบื้องต้นของตัวเสีย อ, อตรงนี้เนี่ยเราจับหลักได้อันหนึ่งแม้ในสมัยนี้ สมัยอย่างเราๆนี่นะครับว่ า, าบางคนเนี่ยอาจจะมีมีปัญหามีความต้องการในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความต้องการเฉพาะหน้าเดียวนั้ น, นเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเองเนี่ยบางทีเรามองแล้วไอ้สิ่งที่เขาเขียนว่าเป็นสาระต้องการได้ต้องการกู้คืนเนี่ยมันไม่เป็นสาระอะไรหรอกทีนี้เราเสนอ ข้อปฏิบัติทางธรรมะในลักษณะที่เรียกว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนคือเอาช้างไม่ให้ขี่หมายก็ว่าให้เข้าใจธรรมะให้ได้ธรรมะในระดับสูงด้วยบอกหรือทําให้เขาเข้าใจในเบื้องต้นว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี่ยมันจะช่วยสนองความต้องการเขาได้พอเขาได้ช้างได้ขี่ช้างเขาก็เห็นตั๊กแตนตัวเล็ก เขาก็เลยเลิกขี่ช้างจับตะกะแตนคือไม่ต้องขี่ว่าได้ขี่ช้าแล้วก็เอาช้างกลับบ้านก็เพียงพอแล้ว เ, เรื่องอย่างนีนะ้มีเยอะแต่ว่าไอ้ใหม่ๆนี่เราก็ตโตกต่างไม่ได้ผมยกตัวอย่างเอาชัดๆเลยว่าสมมติว่าคนหนึ่งมีสามีเจ้าชูทเที่ยวแล้มาเลเทมาททำให้ชอบช้ำใจไปเที่ยวเกี่ยวข้องเขาตองกินนี้ตัวเองก็ มีความหึงหวงแล้วก็พยายามหาหนทางว่าทํำยังไงถึงจะทําให้เขาเลิกเกี่ยวข้องกันได้กลับมาหาตัวทั้งทั้งที่ว่าความจริงถ้าเขากลับมาหาตัวเนี่ยตัวเองก็จะต้องได้รับความทุกข์จากเขาเนี่ยแสนสาอัดไม่รู้จบแต่ว่าลืมคิดไอ้ตรงนี้ไปพอใช้ธรรมะเข้าไปแก้ในที่สุดก็รู้ว่าคือรู้เองรู้สึกเองโออ ความจริงเนี่ยการที่ตัวเองได้ธรรมะและได้อย่างอื่นเข้ามาทดแทนเนี่ยมันดีกว่าการได้เขากลับคืนมาไอ้ที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือปล่อยให้เข้าไปนั่นแหละคือดีที่สุดและชีวิตเราจะเรียบร้อยขึ้นเมื่อเขาไปและถ้าเรามั่นคงในธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นเพียงไรเขาไม่เปลี่ยนตัวเองกลับมา ในความถูกต้องในกุศลลธรรมปุยสุดตัวเขาเองก็จะถึงความหมยนะไปในที่สุดในที่สุดทั้งหมดเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ผมพูดเองเขาเข้าใจได้เองภายหลังเขาจึงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดอย่างหนึ่งเขาต้องการให้ช่วยอย่างหนึง่งให้ธรรมะในช่วยเพื่อสนองความต้องการอย่างหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะเขาเข้าใจใหม่แล้ว เขาได้สิ่งชดเชยจนกระทั่งมันพ้นในความต้องการที่เขาเข้าใจด้วยความรู้สึกหยาบๆอย่างคนที่ไม่มีดวงตาเข้าใจในธรรมะตอนนั้นนี่เป็นการเล่าแบบคร่าวๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองหรือเป็นเรื่องอยางอื่นๆก็ตามเนี่ยบางบางทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือจะจับตกะกั่น แล้วก็อาจจะใช้ยุงขี่ยุงจับตากแตนขีต่ตากแตนตากแตนมันก็ขี่กันอยู่งันแหละแต่ว่าพอเราเอาช้างให้เขาขี่เนี่ยไอต้ตากแตนมันก็หมดคุณค่าไม่ต้องไปขี่ช้างจับอะไรมันก็ให้คุณค่าแก่ตัวเจ้าแล้วนะครับเป็นอันว่าท่านมหานาคเนี่ยเป็นเวไนยของท่านขาวามปติคือบรรลุเป็นพระอรหันต โดยฝีมือของพระขาวามปติที่ได้สั่งสอนท่านไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าอันนี้มาพูดถึงอีกองคหนึ่งองค์ถัดไปชื่อว่าท่านกุลละท่านกุลละนั้นเป็นคนที่เกิดในสกุลกู ด, ดุมพีคือสกุลพ่อค้าที่มีฐานนะ้าเมืองสา ว, วัตถีครับได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ที่พระเชตวันนั่นแหละครับ ได้ศรัทธาและออกบวชทีนี้พระองค์นี้ท่านมีกิเลสบางอย่างแรงกล้ามากกิเลสที่กล่าวถึงนี้คือราคะในประวัติบอกว่าเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถูกราคะครอบงำเป็นนิดเป็นนิดคือเป็นปกติเพราะว่าเป็นคนราคะจริตอย่างแรงกล้ามาแต่กำเนิดท่านท่านพูดอย่างนั้นเลยนะ ก็คือพวกราคาจลิตจะพูดง่ายๆบวชเข้ามาแล้วมีปัญหาอุปสรรคในการประพฤติพรหมอาจารย์เ้วยอำนาจของการกลุ่มหลงของราคาอย่างรุนแรงมากซึ่งเรารู้อยู่ว่าคนที่มีราคาและราคาที่มุ่งกล่าวถึงตรงนี้หมายถึงความกำหนัดยินดีในเพศตรงค้ามหรือพูดในชัดก็คือการมฉันทนีมอนนั่นเองหรือพูดในชัดลงไปอีกก็คือ ราคะในเพเมทุนน่ะทับซึรบกวนจิตใจท่านอย่างรุนแรงเหลือเกินเพราะท่านเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กําเนิดแล้วนะคือติดเป็นบุคลิกติดตัวท่านมาคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบทรงทรงาบเนี่ยก็ทราบด้วยตาทิพด้วยเจโตบริยานี่แหละครับก็ทรงคิดว่าการที่จะบรรเทาราคะ ของบุคคลผู้มีราคะครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้สิ่งที่เป็นสัปปายะของคนราคะเจริตในทางกรรมฐานเนี่ยก็คืออาสุภะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอาสุภะกรรมฐานก็คือการเพ่งซากศพ <c oughs> คืออสุภษกรรมฐานในสายสุภาเ น, นี่ยมันมีอยู่สองคือหนึ่งเพ่งตัวเองโดยความเป็นของสองปลก ไอ้กรณีอย่างนี้เหมาะสําหรับคนที่หลงตัวหลงตัวถือตัวรักตัวกลัวตายเหมาะแต่อีกอันหนึ่งคือเพ่งศพเพ่งร่างกายคนอื่นที่ตายแล้วอันนี้จะเหมาะแก่คนที่มีราคะจริตความยึดติดปูกพันธ์ในทางเพศตรงกล้ามเหมาะมาก พระบุตธเจ้าก็ทรงให้อตุภระคำสารคือการให้เพ่งซากศพจึงได้สอนให้พระคุณเจ้ารูปนี้คือท่านกุลลักษณ์ในตอนนั้นไปสู่ป่าช้าหนึ่งๆคือให้คำว่าไปสู่ป่าชา้ า, ชาหนึ่งๆนี่นก็หมายก็ว่าไปบ่อยๆไปให้เป็นกิ จ, จวัตร ไม่เขาว่าไปสู่ป่าชาไม่ใช่ไปอยู่ในป่าชาก็คือว่าเวลาบินธาบาตเวลาอื่นก็อยู่ที่วัดอยู่ที่เสนาสนะปกติของตัวเวลาทำงานกรรมฐานก็ออกไปสู่ป่าชาเพื่อปราบปรามกิเลสหยาบนี้ให้ได้โดยไปเพ่งซากศพในนั้นทีนี้ค น, นตัวท่านเองมีราคาแรงถึงขนาดว่า ทีกล่าวว่าในประวัติว่าไอตอนเข้าไปสู่ป่าช้าเนี่ยราคาก็ระงับพอออกจากป่าชา้าราคะมันก็เหมือนอ่ซุ่มรออยู่ที่ปากทางเข้าป่าชา้าพอพ้นหน้าป่าชา้าพ้นทางเข้าป่าช้าออกมาราคาก็เข้าครอบงำเหมือนอย่างเดิมอีกไม่ติดกลับมาที่วัดอสตุภาสัญญาไม่ติดกลับมาสู่ที่วัดนี่เป็นการแสดงให้เห็นเึงความรุนแรง ของราคะจริตของท่านพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงเห็นอย่างนั้นก็จึงรู้ว่าจะต้องให้กำลังในทางอาสุภากรรมฐ า, านให้มากขึ้นจึงทรงต้องเนรมิตศพของหญิงสาวรุ่นให้ตายใหม่ที่ตายใหม่ๆนะอันนี้ค่อยๆให้เป็นไป เวลาที่พระองค์นั้นได้เวลาเข้าปรชาช้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเดลามิตรทรงใช้ฤทธิ์ช่วยครับเดลามิตรอให้พิสูรรูปนั้นเห็นศพหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งที่เพิ่งตายใหม่ๆเวลาพระองค์นั้นไปพิจารณาแต่แรกก็เกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นมาต่อนหน้าศพที่ตายใหม่ๆอันนี้ก็อย่างเป็นเรื่องที่พอจะเห็นใจได้บ้าง พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้และได้ทรงกระทำซากศพนั้นให้ค่อยๆเน่าพองมีหนอนมีน้ำเหลืองไหลออกจากาวาวรทั้งหลายทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วท่านก็ค่อยๆเกิดความรู้สึกคลายคลายคลายราคะมาโดยลำดับพอราคระคลายได้ที่ พระพุทธเจ้าก็ทรงแผ่โอภาษอวิธีการแผ่โอภาสนั้นทรงกระทําบ่อยแผ่โอภาสเนี่ยหมายถึงพระองค์อยู่ที่พระกันตุคดีแล้วก็ทรงใช้ฤทธิ์แผ่โอภาสออกไปไอ้ตรงนี้นะเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเจอมากเหลือเกินแล้วเราก็ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าถ้าเราไปอ่านเรื่อง เรื่องพวกรือสีพวกโยคีอินเดียเนี่ยแล้วก็ไปอ่านทฤษฎีโยคีบังวังท่านเนี่ยเขียนวิธีปฏิบัติมาด้วยว่าทำยังไงเขาเรียกว่าสร้างภาพตัวเองแล้วก็ใช้อำนาจจิตเนี่ยแผ่ภาพนั้นไปแผ่ภาพนั้นไปยังบุคคลที่ตัวเองต้องการจะให้เห็นโยคีนั้นอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งไกล แล้วก็แผ่ภาพนั้นไปให้เห็นเห็นเป็นตู่เป็นจาาเหมือนผีหลอกเนี่ยครับโยคียปัจจุบันนี้ทําได้จริงๆแล้วก็อย่างโยคยีผู้หนึ่งแต่งตําลาบอกด้วยว่าทํำยังไงคือท่านโยคียรามจารกาผมเคยอ่านหนังสือท่านแล้วแต่งตําราบอกด้วยว่าทําอย่างไรทีนี้ไอ้พูดถึงอย่างเราเนี่ย เราเราพอทำได้บ้างแต่มันไม่ถึงกับชัดอย่างนี้อาจจะทำให้ฝันอาจจะทำให้อะไรหลายอย่างได้บ้างแต่ไม่ถึงกับฉายภาพตัวเองทาให้คนอื่นมีความรู้สึกเหมือนพูดง่ายว่าฉายไปโต้ตอบได้เหมือนตัวเองไปสดๆพวกโยคียทําได้ในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงทาได้ลักษณะอย่างนี้จะต่างกันที่ว่าถ้าใครมีพลังภูมิรู้มี สิ่งที่จะนำไปให้ได้ดีภาพนั้นก็สามารถเยจะสื่อความหมายที่มีคุณค่ามีสาระที่สูงกว่ากันได้ก็คือพระพุทธเจ้าเองทรงใช้ความสามารถทางลิศเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการนำเสนอธรรมะที่มีคุณค่าสูงส่วนพวกโยคีเนี่ยเขาก็มีความสามารถทางลิศแต่ไม่สามารถที่จะ ใช้ความสามารถนั้นนำเสนอคุณค่ายอย่างสูงเช่นพระบุทธเจ้าได้และนอกจากนั้นการฉายโอภาษหรือบางทีเรียกว่าทำอิทาพิสังขารอย่างนี้อาจจะมีกรณีรายละเอียดแก่อ่อนแตกต่างกันไปบ้างในทางขีดความสามารถเหมือนอย่างที่เราจะได้พูดถึงในกรณีของท่านจุลปันถกต่อไปเนี่ยท่านจะที่จะเห็นว่าท่านจุลปันถกนั้นมีความสามารถ ในลักษณะอย่างนี้เทียบกับภาษาวกต e ทั่วไปเนี่ยพิเศษกว่ากันอย่างไรในทางการฉายโอภาษหรือการเนลมิตตัวเองก็เป็นนั้นว่าท่านฉายโอภาสแล้วก็สามารถพูดได้ด้วยคำพูดนั้นก็คือทรงตอกย้ำความคิดคือท่านกุลละกาลังเห็นสร้างโศความรู้สึกกำลังเคลิ่คลายไปโดยลำดับ พอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยแค่เห็นพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกหนักแน่นเกิดความรู้สึกละอายเกิดความรู้สึกอะไรๆในทางกุศลละธรรมมากเพียงพอแล้วพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสเป็นอาการว่าทรงรู้นะว่าคิดอะไรอยู่รู้นะว่าเคยคิดอะไรอยู่และทรงกำลังตรัสบอกว่าควรจะคิดว่าอย่างไรต่อไป จึงได้ตรัสว่าเธอจงดูร่างกายอันกระสับกระสายไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าออกอยู่อันหมู่พานชื่นชมยิ่งนะัเนี่ยตัดโดยทํานองอย่างนี้แล้วมีควา ม, ม อ, อื่นๆประกอบอีกก็เป็นการตรัสพุทธพจน์ย้ำเข้าไปอีง ในขณะนั้นเองท่านกุลละก็ได้อสุภาษสัญญาจากบริกรรมนิมิตที่ได้อยู่แล้วกลายมาเป็นโอกาสนิมิตและปฏิภาคนิมิตปฐมฌานปรากฏเพราะว่าอสุภากรรมฐานเนี่ยทําให้ได้ฌานแค่ฌานที่หนึ่งเท่านั้นฌานที่สองไม่ได้เพราะว่าอสุภาษณนั้นเป็นอารมณ์ให้ความรู้สึกหยาบเกินไป ได้แค่ระดับฌานที่หนึ่งฌานสองนั้นองค์ฌานมันละเอียดความรู้สึกละเอียดซึ่งระดับของอารมณ์นี้ไปไม่ถึงเมื่อท่านได้ปฐมฌานท่านก็ใช้ปฐมฌานที่ได้ปฐมฌานที่ได้โดยมีอาุปกรรมฐานเป็นรมเนี่ยเป็นบาดต่อวิปัสสนากรรมฐานคาว่าเป็นบาดต่อก็หมายความว่าออกจากปฐมฌานนั้น พิจารณาฌานนั้นโดยความเป็นอนิจจังตุกขังหนาตานะะอย่างที่เราพูดกันวิปัสนาญาณก็เกิดโดยลำดับและในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นมรรคขั้นสูงสุดซึ่งก็เป็นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันจากโสดาปฏิมาขึ้นไปคือการทำอสุภะเนี่ยถ้าเราเอากรรมฐานแต่ละอย่างมาเทียบกันเนี่ยกรรมฐานบางอย่างอารมณ์ อารมณ์วิปัสอารมณ์สมถะบางอย่างเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่สอดคล้องกับอารมณ์วิปัสนาเป็นอันมากยกตัวอย่างเช่นมรณสติให้ความรู้สึกสอดคล้องกับอารมณ์วิปัสนาในข้อว่าอนิจังนะฮะอสุภากรรมฐานซึ่งเป็นความปฏิกูลเนี่ยนะฮะให้ความรู้สึกสอดคล้องกับวิปัสนา เพราะนั้นอารมณ์วิปัสนาที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยในอีกคำนวนหนึ่งถึงเรียกว่าเป็นอาสุภะขั้นปาลมัตเป็นความน่าเกลียดขั้นปาลมัติซึ่งอาศัยขั้นสมมติคือเพ่งสกักศพเป็นตัวอ่อยความรู้สึกขึ้นมาตามลำดับแล้วมันก็สอดคล้องสวมกันไปพอดอีแต่อารมณ์บางอย่างเนี่ยไม่สอดคล้องนะไม่สอดคล้องอย่างดีกับอารมณ์วิปัสนาอย่างเช่นว่า อเมตตาพรหมวิหารตรงนี้ไม่ไม่สอดคล้องในทางความรู้สึกเพราะเมตตานั้นเป็นไปด้วยอํานาจของความยินดีนะฮะยินดีด้วยความปรารถนาดีมุทิตาก็เหมือนกันก็ไม่ไม่สอดคล้องนะคราวนี้เมื่อท่านบารรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยครับท่านก็อ่ามาฟังคําพูดของท่านสักนิดหนึ่งนะ ว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และท่านพูดถึงตัวท่านเองว่ายังไงบ้างท่านบอกว่านี่ท่านเล่าให้เพื่อนพระภิกษุฟังคือสังคมพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นสังคมที่ท่านสนใจกันและกันแต่การสนใจกันและกันเนี่ย จะต่างกับสังคมเราไอ้สังคมเราก็สนใจกันละกันอย่างที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวเดี๋ยวนี้มันขยายไปทั้งโลกอะครับเราก็สนใจว่าใครเป็นยังไงแล้วก็เป็นความสนใจที่เป็นประโยชน์กับความยินดีกับยินร้ายน้อยคนเหลือเกินนะที่จะสนใจในแง่ของศรัทธานะฮะมาสนใจในแง่ศรัทธาเลื่อมใสได้กุศลแจิตหรือว่า ่คนดีคนร้ายแล้วเราสนใจแต่ว่าเอาความรู้สึกในทางสติปัญญาในทางธรรมเข้าไปสนใจไอ้อยางนี้ก็ได้แต่ว่าพระอราหันเนี่ยท่านเอาความรู้สึกที่ดีเข้ามาสนใจกันและสิ่งที่ท่านเอามาพูดถึงเนี่ยก็ถ้าเป็นอ่าท่านท่านว่าอย่างนี้ท่านเล่ากันเองว่าไงบอกว่าเราดูก่อนคุลละภิกษุนี่พระผู้มีพภาคตรัสบอกตรัสให้วาดเราขนาดนั้น ท่านจงดูร่างกายกระตับกระสายไม่ระอาเป็นของเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอันหมู่คนพานพานกรชื่นชมนะเราได้ถือเอาแว่นทำแล้วส่องดูร่างกายอันไร้สาระทั้งภายในและภายนอกนี้ตรงนี้ครับที่เป็นข้อยืนยันใน มหาสติปัฏฐานสูตรว่าพิจารณากายเป็นภายในพิจารณากายเป็นภายนอกถ้าเป็นชั้นสมถะเนี่ยก็พิจารณาสรางศพภายนอกแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวว่าในที่สุด ต, ตัวเองก็งเป็นอย่างเวลาคนทํากรรมฐานหรือพิจารณาอย่างมีธรรมะเนี่ยมันได้ความรู้สึกเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เรามีพวกเราที่เคยมานั่งฟังธรรมะค่อยๆปวย่ ว, ปวยแล้วว่าตอนป่วยเราได้มีโอกาสไปเห็นเห็นแล้วก็ในที่สุดเผาไปเราก็มันนึกว่า เมื่อก่อนก็ยังอย่างเราๆยังพูดยังกินยังทำอะไรได้ยังถือครองสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถึงที่สุดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเหลือเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเหลือคือกลายเป็นขี้เถ้าเหลือแต่กระดูกแล้วก็วกต้องออกไปทิ้งในมหาสมุทรหรือไปทิ้งที่ใดที่หนึ่งจบัแค่นะ ไอ้ตรงนี้นะพูดมันก็ง่ายแต่ว่าการที่จะมานสิการให้เกิดความเข้าใจจริงเห็น จ, จั ง, จงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีธรรมะเยอะหรือคนที่อยู่ในบรรยากาศทั้งธรรมะเนี่ยพูดนิดเดียวมานสิการได้มากเกิดความรู้สึกในธรรมได้มากคนที่ไปดูซากศพเนี่ยก็เหมือนกันดูแล้วก็ค่อยอบรมความรู้สึกมองตรงนี้คิดมุมนี้ความรู้สึกไอ้ตรงนี้มันก็โหยกแยกไปหมดอธิบายไม่ถูก แล้วก็พูดให้คนอื่นเขาได้คิดมันก็เป็นเรื่องอยากเขาจะได้คิดยังไงก็ต้องอบรมเอาเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องรสชาติของความรู้สึกมันเหมือนกับกิเลสและครับเราเที่ยมมันคือกิเลสนะแต่นี้เป็นกุศลนะกิเลสเนี่ยคนไปชอบใครชอบอะไรเนี่ยเขาก็มีไอ้ความรู้สึกเขาที่สะสมเขาคิดเขาบ่มของเาปรุงแต่งเขาไว้ไอ้คนอื่นมาให้รู้สึกอย่างเขาเขาก็รู้สึกไม่ออกทงดีนะ บางทีก็รู้สึกออกบ้างเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าเขาหรืออาจจะมากกว่าเขาเป็นไปได้ทั้งนั้นที่ก็ไปปรากฏว่าเข้าไปในห้องเขาที่ทํางานมีตู้ไปเลยเระบอกเขาเนี้ยนี่ตูต้หนังสื อ, อยังบอกไม่ใช่หรอกเขาบอกว่านาฬิกานาฬิกาเขามีตั้งห้าร้อยหกร้อยเรือนเขาว่าเขายังไม่ได้นับนะเขาก็บอกจะดูก็ได้เปิ ด, เ ป, ดเปิดพึบออกมาวุน่นกาเต็มหมดเลยครับ ห้าหกร้อยเรืองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจอนาฬิกาเป็นไม่ได้ต้องซื้อแต่ซื้อเนี่ยเขาซื้อเห็นมันมีทรงปแปลกๆก็ซื้อเขาชอบเกาไม่ได้คิดในเรื่องราคาเรื่องยี่หอซื้อเพราะเห็นมันเป็นไอ้ความแปลกเพ่งในแง่ของรูปทรงปแปลกๆอ่าและมองไปอีกมุมหนึ่งน้ำหอมมะน้ำหอมนี่เจอไม่ได้ต้องซื้อเอ็มหมดเลยไอ้เราก็มองเราก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไร แต่เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกมันเป็นความสูงดื่มดั่มมากในี้ต่างภาษาคนชอบนะี่ยไอของที่เราชอบเขาก็คงไม่รู้สึกอย่างเราก็ได้แต่ไอเดี๋ยวพูดถึงไอเรื่องโลกๆลกตัวตัวไปนะถ้าเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องความรู้สึกในต่างๆก็อาจจะสูงขึ้นบางทีมก็แทนกันไม่ได้เพราะความรู้สึกมันไม่ไปได้วยกันคนบางคนเนี่ยนะคือหรือบางที ไอเราเองถ้าเวลาทำอสุภะแรงๆเนี่ยแค่ไปเห็นโรงศพเท่านั้นแหละไอ น, นี่เป็นเรื่องจริงๆของผมเลยนะสมัยก่อนผมทำมันนี้แรงมากสมัยก่อนนี่คือตั้งแต่ปีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกทำเป็นอาจินแค่ไปงานศพเนี่ยโอ้โหผมเก็บความรู้สึกกลับบ้านเพียบเลย ความรู้สึกพี่ไม่รู้จะปรนนาง่ายนะมันมีความรู้สึกอธิบายไม่ถูกแค่ไปเห็นลงศพ น, น, นะนะอย่างไปวัดทัดตรงทะดทองถ้ายิ่งเข้าไปอย่างโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไปเห็นไอ้ศพที่เขาเอามาวางบนตะารงแกงนะฮะตอนนั้นยังไปเจอไปเจ อ, เจ อ, อยังไม่ได้สร้างเปลกดีโอ้โหเห็นนั่นแล้อยู่เป็นหลายเดือนเลย แรงมากไปสิริราชเข้าไปในตึกกายวิภาคศาสตร์โอ้โหนั่นแล้วก็เพียบปีกันนะเห็นแต่ละที่แต่ละอย่างเนี่ยความหัวใจมันออกมาอธิบายวาดภาพมิติต่างๆอย่างมากมายไปหมดเลยทั้งเห็นคนเห็นเป็นกระดูกเห็นเป็นกระดูกได้มองไปในปากคนเงโอ้โหมันก็ อธิบายออกมาแล้วได้อธิบายได้เยอะกเลยอธิบายความรู้สึกไอ้ความคิดที่มันซอกแทกเข้าไปเนี่ยตอนนี้ปิดฉากมานานเอาไว้ใกล้ๆบวชจะเปิดออกมาหม่แล้ถ้าพิจารณาอย่างนี้รับรองไม่ศึกคนรับรองไม่สึกถักรักษาสัญญานี้ไว้ได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไดงบอกว่าอันนี้เป็นอารักขกรรมฐานคนจะบวชเนี่ย ต้องทำอันนี้เลยจะทำอย่างอื่นต้องทำอันนี้ด้วยอารักกกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่รักษาชีวิตโรมจันและเป็นกรรมฐานที่ทําให้คนมีสันโดษมีความไม่อยากอะไรอะไรที่เป็นเรื่องปิดสมณวิสัยได้อย่างเข้มงวดกวดขันแก่ตนเองอย่างนี้ผมขออ่านคำของท่านต่อไปอีกหน่อยนะท่านบอกว่าซากศพ บ, บอกสลีสรีละเหล่านี้ฉันใดซากศพนั่นก็ฉันนั้นซากศพฉันใดสรีละ เรานี้ก e. <int> <en> ็ฉ so ันนั้นร่างกายเบื้องต่ำฉันใดร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องบนฉันใดเบื้องต่าก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้นภายหลังฉันใดเมื่อก่อนก็ฉันนั้นความยินดีด้วยดนตรีเครื่องห้าเช่นนี้ย่อมไม่มีแกเราผู้มีจิตแน่วแน่พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบอนี้ก็ ตอนทำธรรมะก็มองข้างนอกข้างในพอทำวิปัสนาเนี่ยพอเปลี่ยนไปก็เห็นข้างนอกข้างในเหมือนกันแต่ลักษณะอารมณ์การวางใจการเจาะลึกนั้นละเอียดลงแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นแบบวิปัสนากรรมะผมขอผ่านเลยไปถึงองค์ถัดไปองค์ถัดไปคือสองร้อยสิบมีชื่อว่าพระมาลุงกะยะปุตตะ ท่านมาลุงกะยะเนี่ยเรียกกันเป็นสองแบบครับพักไรบิดกภาษาไทยเองอย่างจุลมาลุงกยโยวาทสูตรเรียกมาลุงกะยะยามหามาลุงกะยะโยวาทสูตรก็เรียกมหาลุงกยะเหมือนกันอท่านเรียกมาลุงกะยะแต่ไปอีกสูตรหนึ่ง อย่างพระไตรปิฎกไอ้สองสูตะอยู่พระไตรปดกเล่มสิบสามพระไตรปิฎกเล่มสิบแปดเรียกชื่อถ้ามามาลุกกยะมาลุกกยะไม่ใช่มาลงมาลุกอพระไตรปดฎกพม่าเรียกมาลุกหมดเลยไม่ได้เรียกมาลุงปนกับมาลุกอย่างพระไตรปิฎกไทยก็จะมาลุกมาลุงองคเดียวกันเอท่านมาลุงกยะเป็นใคร นี่ถ้าคนอ่านพระไตรปิฎกแล้วท่านดังมากในพระไตรปิฎกเพราะปรากฏอยู่ในพระสูตรดีๆหลายสูตรนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องอพยกตาปัญหาก็เคยเอาสูตรของท่านมาพูดถึงมาคราวหนึ่งแล้วท่านมาลุงกระยะบุตรเนี่ยความจริงคราว่ามาลุงกะยะยาเนี่ยเป็นชื่อแม่หรือมาลุกระยาชื่อแม่เรียกว่ามาลุกกยาหรือมาลุงกะยา พอมาเป็นชื่อท่านเข้าก็เติมปุตตะเข้าไปเป็นมาลุกะยะปุตตะท่านเกิดในสกุลช่างดูเงินนัก ด, ดูเงินนะก็คงจะหมายถึงเป็นพวกช่างกระสช่างกระสาช่างเงินเนี่ยพวกอะไรที่มันอยู่ในกระบวนการเงินเงินที่เขาทำกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยทั้งทำเป็นทั้งดูเป็นทั้งโดยรูปแบบทั้งโดยเนื้อของโลหะ ก็สามารถที่จะดูออก <c oughs> เป็นวิชาเป็นความรู้ความสามารถอันหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยความรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีกันเป็นครอบครัวครอบครัวเป็นสกุลสกุลแล้วก็ดํารงถ่ายทอดความรู้นั้นกันไว้กันไว้มักจะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ข้ามสกุลกันโดยเฉพาะพวกศิลปะวิชาชีพเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้บางทีพ่อแม่ก็ต้งมา นั่งทุกข์ใจว่าลูกจะรับถ่ายทอดวิชาที่ตัวเองรักตัวเองอยากจะให้มีผู้ถ่ายทอดหรือไม่ซึ่งบางทีกไ็ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาของพ่อของแม่ท่านเป็นชาวเมืองโกสนก็ประเจ้ประเสนนะครับเมืองสวัสดีเนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยถึงจะเกิดในสกุลช่างเงิน แต่เพราะว่าเป็นคนที่สร้างเนคขมมะบารมีมามากก็เลยไม่คิดจะเอาดีทางการอาชีพเหมือนอย่างที่พ่อแม่อยากจะให้เจริญรอยไปบวชเป็นปริพาชกในเบื้องต้นก่อนตอนไปบวชเป็นปริพาชกก็เที่ยวท่องเที่ยวไปตามกติปริพาชกอย่างที่เราพูดกันมาบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จากการที่เที่ยวไปเที่ยวมาและพระพุทธศ า, าสนาได้เกิดขึ้นแล้ว พระอริยสาวกได้เกิดขึ้นเป็นอันมากแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งน่ะก็ถือว่าอาการที่พวกปริพาโชกหรือนักบวชบางอย่างพวกที่ไม่อยู่กับที่จะลิกไปจะลี้มาแล้วก็มีพระอาหารหันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นไข่เหมือนเป็นตาไขา่คอยจับคอยดักเพราะพวกนี้ชอบแลกเปลี่ยนโต้อตอบวาทะแล้วเราก็จะพบว่าพวกนักบวชที่เข้ามาเป็นพระอาหารหัน์ มากที่สุดเนี่ยคือพวกปริพาชกจะเรียกว่าออย่างนี้เราไม่เรียกว่าแฝงเท้าอาเซียนหรือลนหาที่พูดอย่างนั้นพูดเป็นในทางลบจะพูดอย่างนั้นก็หมายถึงในทางบวกก็แล้วกันกลายเป็นได้ดิบได้ดีไปมากเพราะอย่างนี้แม้แต่ท่านพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานนะอนดีตก็เป็นปริพาชกมาก่อนให้มาฟังทำจากพระพุทธเจ้าแล้วก็แน่นอ น, นะคระับ อริพชกนีเขาดีอย่างหนึ่งเขาเป็นคนสแสวงหาความรู้มีลักษณะอย่างนี้เป็นพวกใยรั่วเมื่อมาฟังธรรมเขา้าก็รู้สึกว่าทราบซึ้งเลยบวชเปลี่ยนลัทธิเรียกว่ามาเข้ารีดพุทธศาสนาซึ่งเราไม่นิยมเรีย ก, กว่าเข้ารีดนะฮะอะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมัน่นในธรรมะอย่างดี ตามอุปนิสัยอัยยาที่สั่งสมมาสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงว่าผู้ที่มาบวชสมัยก่อนบวชแล้วเนี่ยมักจะเป็นพวกถือเอาคันถาเอาวิปัสนาตุละกันเป็นเรื่องออกหน้าคันถาตุละนะั้นก็เฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อวิปัสนาตุละในยุคตอนนั้นนะเพราะว่าหนึ่งตัวคนบวชเองก็ แนวโน้มที่จะสแสวงหาความตอนตนไปจากสังสารวัตอุปนิสัยบา ร, รมีความมุ่งมั่นปรารถนาต่างนีนะ้มีเป็นส่วนมากแล้วก็พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บรรลุธรรมก่อนก็สามารถที่จะสอนมีพลังที่จะสอนมีความรู้มีภูมิมที่จะสอนให้คนที่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็คือมือสองข้างมาปลบกัน จึงทำให้ไปกันได้เร็วๆเพราะเหตุก็จึงเป็นอันว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเนื่องจากว่าท่านเองเคยเป็นปริภาชกหมามีลักษณะของการต้องการคําตอบในเรื่องต่างๆให้เด็ดขาดชัดเจนแล้วจึงจะปรับใจทำอะไรลงไปในขั้นตอนต่อไปได้ภายหลัง อันนี้ก็ก็เหมือนเดี๋ยวนี้แหละฮะคือบางคนเนี่ยเขาสงสัยแล้วอย่าไปอย่าไปละเลยไปใหทุกคนไม่ได้แหละครับบางคนเนี่ยเรารู้รว่าถ้าเราไม่อาจที่จะบรรเทาความสงสัยเขาได้ไอ้อย่างอื่นอย่าได้เอาไปพูดกับเขาเลยเขาไม่ฟังเด็ดขาดถึงฟังเขาก็ฝืนแล้วก็ทําไมต้องคลี่คลายต้องทําให้เขาปลดเปลื้องจากไอ้ไอ้พันธะคือวิจิจารนณะ์ได้แต่ก่อนเพราะฉะนั้นใน มาลุงกโยวาตสูตรเนี่ยท่านมาลุงกะยะในในสูนั้นอาบุมเล่าสั้นๆอีกนะทีนะท่านมาลุงกะยะได้นั่งปฏิวิตกอยู่ในที่หลีกเล่นในขนาดว่าหลีกเล่นไปสู่ที่ที่สมควรจะปฏิบัติธรรมแล้วได้มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรัสพยากรณ์ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือทั้งเกิดและทั้งไม่เกิดแล้วก็โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดอภยยกรตัปัญหาสิบอย่างที่เราเคยพูดถึงกันนั่งสงสยัย เพราะคำถามทั้งสี่จะต้องน่าจะต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งปัญหาถามวัดเดียะเธอถ้าออกไปเฝ้าจะต้องถามคาดกัรณให้ตอบให้ได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างในผู้ผู้มีภาะคตอบอยังไงถ้าพระองค์ตรัสว่าไม่พยากรณไม่พยากรณ์ก็จะถามว่าถ้าพระองค์ไม่รู้ก็ขอให้บอกว่าไม่รู้อย่าได้หมดเรื่องกันไปแต่ถ้ารู้ทําไมไม่พยากรณ์รู้ควรพยากรณแล้วก็จะยื่นคําขาดว่า ถ้าพระองค์กลัดว่ารู้แล้วไม่พยากรเราจะสุดออกไปไม่บวชอุทิศ พ, พระองค์อีกต่อไปในเตรียมเตรียมคิดวางแผนที่จะบังคับพระพุทธเจ้าตอบออกจากที่เล่นในเวลาเย็นไปเฝ้าแล้วก็ยื่นคำขาดถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกระยะ เราได้เคยรับปากแก่ท่านไว้หรือว่าท่านจงมาบวชแกเราเถิดเราจักพยากรอภัยกตาปนาสิบอย่างแก่เธอและเธอได้บวชแกเราหรื อ, อ, อและเธอได้บอกแก่เราหรือว่า เ, ออเมื่อเธอจะมาบวชเนี่ยเธอได้มาขอสัญญาว่าขอให้พระผู้มีภาคจงทรงพยากรอภัย ก, ยากตาปนาสิบอย่างถ้าพระองค์ไม่พยากรก็จะไม่บวชจะตึก พระองค์พยากรจะบวชต่างคนต่างไม่ได้มาสัญญากันไว้และจะมาทวงสัญญาเอากระไรนี่ ท, นท่านกระทวงอะไรอย่างนี้ก่อนนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพุทธวิธีสแสดงธรรมเสร็จแล้วตอนท้ายจึงได้ทรงสแสดงเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมจึงไม่ทรงพยากรณ์นี่ทั้งหมดนี่ผมได้อธิบายมาชัดเจนในเรื่ององพยากระตับปัญหาที่พูดเป็นหลักสูตรมาแล้วแต่พูดตอนนี้ทีว่าได้ตรัสว่า ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเห็นผิดมันมีมันเรื่องเกี่ยวกับตัวตนอธิบายตัวตนว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในสิบอย่างเนี่ยลองเริ่มว่าตนเป็นอย่างไรและให้เลือกตอบสิบอย่างก็ตอบไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะพระบทธศาสนาไม่ถือว่ามีตนแล้วก็ทรงตรัสว่าถ้าเธอหรือใครก็ตาม ยังถือว่ามีตนเห็นว่ามีตนแสวงหาตนว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในในสิบอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเดียวหรือสองอย่างก็แล้วแต่เชื่อว่าตนเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าตนเป็นชื่อว่าการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีแกบก็คือคนจะทําวิปัสสนาได้จะเจริญในวิปัสสนาได้ต้องยอมรับต้องเข้าใจว่าไม่มีตัวตนและปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเห็นความไม่มีตัวตนในภาคปฏิบัติอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าไปตั้งหลักว่าตนเป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เห็นตนว่าเป็นอย่างนี้ล้มเหลวเลยครับถือว่าไม่เป็นหมันเป็นโมฆะในทางการปฏิบัติศาสตรว่าชื่อว่าไม่มีการอยู่ประพฤติปรมจรรันมีแต่ทางกายภาพแต่ในทางเนื้อหาเมื่อทรงแสดงธรรมอย่างนี้พระมาลุงกะยะก็กระใจและวันหลังต่อมาได้มองเฝ้าพระภูมีพระภาค ขอให้พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมโดยสังเกตเพื่อว่าครพระองค์เมื่อได้ฟังธรรมโดยสังเกตแล้วจะพึงหลีกเล่นบำเพ็ญความเพียรเพื่อบรรุประโยชน์ของการบวชตามความประสงค์ของคนละบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาที่จะพึงได้พระพุทธเจ้ากระสงค์ให้กรรมฐานกรรมฐานที่ทรงให้นั้นเป็นเรื่องของอายตนะบัพพะเพาเมื่อตาเห็นรูป อย่านําเอาความยินดีออกความเพลิดเพลินยินดีเพราะเมื่อใดมีความเพลิดเพลินยินดีเมื่อนั้นชื่อว่าไม่พ้นทุกสร้างทุกขเมื่อใดนําความเพลิดเพลินยินดีออกได้เมื่อนั้นชื่อว่าพ้นทุกข์นําความทุกออกได้ก็คือสอนให้ละตัณหาตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายและใจท่านมาลุงกะยะก็รับกรรมาฐานไปเข้าป่าบําเพ็ญความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในประบุทธศาสนานี้ก็บรรลุในภาษานั่นแหละครับแต่อันนี้ก็ยืนยันว่าชีวิตของนักคิดปริภาชกรู้เห็นมากความสงสัยก็มีมากถ้าไม่ชี้แจงปลดเปื้องแล้วก็กลายเป็นข้อกลางกั้นอยูนะ่นี่เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วก็มาสงเคราะห์ญาติที่เมืองสาวัตถีพวกญาติก็นึกว่าท่านจะหาทางกลับมาสึกหาลาเพศละมั้ง ก็เอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อให้ศึกท่านก็เลยประกาศแก่ญาติว่าท่านไม่ศึกแล้วคือท่านได้ธรรมะแล้วเลยแสดงธรรมโปรดญาติให้ได้เข้าใจพระพุทธศาสนาบทเทศท่านยืดยาวมากต่อไปอีกองหนึ่งครับองค์ที่สองร้อยสิบห้าองค์ที่สองร้อยสิบห้านั้นถ้าดูชื่อแล้วใครที่ฟังฟังกันมาตั้งแต่ต้น ก็จะนึกว่าชื่อนี้เราได้เคยผ่านหูมาแล้วและถ้าแปลชื่อให้ฟังอีกทีก็จะนึกถึงเรื่องประวัติอันน่าตื่นเต้นสยดสยองท่านได้ทีเดียวคือท่านสัปปทาสะสัปปะแปลว่างูทาสะแปลว่าทาตความหมายสัปปทาสัแปลว่าผู้มีงูเป็นทาตไม่ใช่ผู้เป็นทาตงูเนะ ผู้มีงูเป็นธาตุอันนี้มันเรื่องเกี่ยวกับอดีตประวัติของท่านที่เดิมทีก็ไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พราเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นพลวงปู่เจ้าทรงเล่าบุปกรรมให้ฟังเลยเรียกชื่อท่านจากเขาบุปกรรมในอดีต<ม>ก็เล่าซะนิดหนึ่งเนี่ก็เล่าทวนเอาสั้นๆว่าท่านเองเนี่ยเมื่อได้เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาบวช ด, ด้วยศรัทธาความปราถนาที่จ ะ, สะแสวงหามรรคผลนิพพานโดยแท้จริงเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐานปรากฏว่าถูกกามราคาอีเหล่ครอบงำอย่างรุนแรงมากท่านก็พยายามฝืนนะไม่ได้ไปทำความปิดความชั่วนอกโลกนอกนอกทางให้อาบัตสังค า, าติเศสนิบหนึ่งก็ไม่ทามันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเป็นการ ภาษาดีเขาเรียกว่าเก็บกฎคล้ายๆเก็บท่านก็คิดว่าไอ้ศึกแล้วก็ไม่อยากศึกบวชก็ท่าจะเอาดีไม่ได้เพราะกิเลสตัวนี้ก็เห็นมีทางเดียวที่จะให้ตายในพระเหลืองได้คือต้องรีบตายซะเดี๋ยวนี้จึงวางแผนฆ่าตัวตายวันที่ช่างกระบกเขาเข้ามาปลงผมให้พระในวัดท่านก็เข้าไป ทำท่ า, ทาปนเปื้อนเปียนอยู่เนี่ยช่างกับกระบอกที่มาปงผมให้วัดนี่แกมีมีโดโกนหลายอันนะเนไหมละ่ะมีโดโกนผัดอันนั้นทีนี่ทีแกก็ไปแอบช่วยลักลอบเอามีโดโกนมาก็ไม่ไม่ได้มีเจตนาขโมยแล้วก็ยืมไปยืนอยู่ที่ที่โคนต้นไม้แล้วก็เอามีดปาดคอตัวเอง น, นี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการฆ่าตัวตายครั้งสุดท้ายที่ ท่านไม่ถึงกะตายคือไม่ถึงก็ปาดคอพอจะปาดเ้าก็พิจารณาว่าเราตั้งกระบวกมาถึงจะมีกิเลส ก, กุร้รู้เราก็ไม่เคยเทำความผิดโดยกายด้วยว่าเกิดปีติขึ้นแล้วก็นึกว่าเออไหนๆจะตายแล้ว เ, เรางับปีติจะเดินไปบรรลุปเป็นพระเลยเลิก่าตัวตายนะนี่บางองค์นะ่ะเฉือนคอไปแล้วในองค์นี้ไม่ได้เฉือนเลยถือมีดโกนมาคืนช่างโกนหัวจ้างกระระบก ปลาก็เห็นกตานล้วเนื้อ น, นี่ท่านเอาไม้ก็ไปไหนมาเนี่ยก็คงหากันคลักไปแล้วแหละ ว, ว่าเออพอจะมาหยิบมานี่อันนี้เมีย น, น, น, นี่หายไปไหนแล้วอยู่ๆก็เมื่อคืนก็เลยเล่าให้ฟังเลยก็เลยเล่าย้อนกลับไปถึงความจริงเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนหน้านี้ก็ครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จคือครั้งแรกเนี่ยเพื่อนพระคิวหมอมใบออกมาจากโรง ลงไฟของพระลงเป็นลงจุดไฟสำหรับหน้าหนาวอ่ะอังอังให้ร้อนน่นะฮะนี่มันมีงูงูพิษเข้าไปในนั้นพวกพระก็ช่วยกันไล่จับถ้าเป็นพวกเราไม่จับหรอกตีเลยละ่ะตีพระท่านตีไม่ได้ทานก็จับจับแล้วก็ใส่มาในหม้อ กว่าจะจับได้นะโหยากเย็นมากเพราะว่าจับไม่ดีเอก็เดินสวนทางกันท่านสัปปะก็ถามว่านี่อะไรในหมอบอกงูอัลลอฮพิษคึอพวกงูมีพิษอัลลอฮฺพิษก็ถามมาไปได้มาไหนบอกได้มาจากโรงโรงไฟจะเอาไปปล่อยที่ไกลไกลแห่พ้นอันตรายไปท่านก็รับมาสา ว, ว่างั้นผมจะปล่อยให้เองแต่ในใจน่ะคิดว่าได้เครื่องมือฆ่าตัวตาย ก็หิวหม้อไปไปถึงก็ไม่ได้ไปปล่อยแล้วครับไปหลบมุมเอามือล้วงลงไปในหม้อจับหัวมันมันก็ไม่กัดจับคอมาให้มัจี้ตามอาวัยวะตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่กัดกระทั่งในที่สุดเอานิ้วแย่เข้าไปในปากมันมันก็ยังไม่กัดก็เลย พอใจนึกโมโหแม้นี่ว่าเป็นงูพิษมึงงูงูเลือนงูงูไรสอรประเภทนั้นงูอยู่ตามบ้านก็เลยเททิ้งส่งเดชไปพอไปเจอหน้าพระเพื่อนองค์นั้นถามเป็นไงงูไปปล่อยดียวโอ้ยอะไรกันคุณนี่มังงูบ้านไม่ใช่สารพิษไม่เห็นมังกัดผมเลยทีนี้พอเรื่องทั้งหมดเนี่มาถึงพระเจ้าพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไมถึงเป็นยังงงั้น พระพุทธเจ้าถึงทรงตรัสเล่าว่างูตัวนี้ที่ไม่กัดเนี่ยเพราะว่าอาดีตเคยเป็นทาสของพระองค์นี้มาก่อนในชาติบางก่อนตอนนั้นเป็นมนุษย์นะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนพบชาติใหม่ไอ้ทาสนั้นไปเกิดเป็นงูในทาสมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้ความรู้สึกพันธะทางจิตใจมันมีอยู่นะฮะแล้วคงจะเป็นทาสที่เคื่อกูลอะไรกันเนี่ยครับ ถึงจะไปเกิดเป็นสัตว์ร้ายเป็นผู้ร้ายเป็นโจรสล้ายก็ไม่ทำร้ายคนนั้นคนอื่นอาจจะทำแต่คนนี้ไม่ทำมันเป็นเยื่อใยของบุญคุณของความประราดนานดีแต่ว่าถ้าเป็นนายที่เป็นนายโหดร้ายก็อาจจะทำร้ายได้เพราะว่าได้ใช้สัมพันธภาพอ น, นั้นไปในทางไม่ดีความรู้สึกไม่ดีก็เกิดขึ้นแล้วก็ฝังจิตฝังใจข้ามพกอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ เล่าไว้ในธรรมบดด้วยนะทีนี้ท่านผู้นี้เป็นใครมาจากไหนจึงมาบวชแล้วเป็นอย่างนี้ประวัติท่านว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นพระโคมที่มาจากสกุลกระยองอ่อ้อยนะเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าสุดโทธทนะปุโรหิตก็คือองคมนตรีเดี๋ยวนี้แหละของพระเจ้าสุดโทธนะก็คือพุทธบิดาในพระนครกบิลพัฒ์ ที่เรารู้จักดีแล้วก็ที่ได้ออกบวชเนี่ยก็ออกบวชตอนที่พระเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระญาติอะครับก็บวช ด, ด้วยศรัทธาบวชแล้วก็ไม่อาจที่จะทำส ม, สมาธิให้ให้เกิดได้จิตไม่สงบเพราะกามาราคะกวนอย่างรุนแรงมากความรู้สึกสองอย่างเนี่ยมันช่วงจริงกันนี่เรียกว่าอสองฝกักสองฝ่ายไงฮย คืออันหนึ่งก็รักที่จะบวชและพร้อมกันนั้นก็มีไอ้กิเลสที่มันชวนจะให้ศึกชวนจะให้ทําความผิดชวนจะให้เสียชีวิตการบวชเป็นความรู้สึกที่ขัดแยง้งกันอย่างรุนแรงความจริงทุกคนขัดแย้งทั้งนั้นแต่ว่าไอ้ขัดแรงขัดแย้งอย่างรุนแรงและแรงในลักษณะที่มันเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามกันการบวชกับกามาราคาเนี่ย มันเป็นความขัดแย้งที่ครงกันข้ามกันแต่ถ้าหากว่ า, อาชอบบวชแต่เป็นคนขี้ง่วงอนะ่ะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยรุนแรงนะเพราะว่าง่วงก็ น, นอนก็ไม่ทำให้ปาราชิกต้องสึกร า, าเปรตไปไอ้ง่วงก็เป็นดีนะมิดก็เลยเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ในที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเ ร, เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับบางองค์ที่ เือนเข้าไปแล้วแล้วก็แก้ไม่ทันนะตายเลยนะปรินิพานเลยเป็นอรหันเดี๋ยวนั้นปรินิพานด้วยเอียวยาไม่ได้แต่นี่ยังมิดโกนยังไม่ไม่ไม่ปาดเข้าไปทางที่ลูกกระเดือกนะฮะ mm hmm. ก็ยังไม่เป็นไรเพียง mm hmm. แต่หน้าหวัดเสียวซะนั่นแหละ mm hmm. เลยไปถึงอีกองหลังล อ, งล อ, งอที่ท่าน mm hmm. าพูดถึงตัวเองเล่าให้ผู้สูตรท่านหลายฟังเนี่ย ท่านบอกว่านับตั้งแต่เราบวชมาได้ยี่สิบห้าปีให้ฟังให้ดีนะไม่ใช่อายุยี่ห้านะบวชมาตั้งแต่ บ, บวชถึงพรรษาที่ย้ายังไม่เคยได้รับความสงบใจแม้ชั่วเวลารัดนิ้วมือเดียวแหมค่อนข้างจะก็ไม่ไม่ใช่เกินเลยไปแล้วนะครับคือลองนึกดยให้ดีนะ ทำสมาธิเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวจิตไม่สงบต้องนับว่ากิเลสนั้นรุนแรงมากเราไม่ได้เอกาตาจิตถูกกรรมราคะครอบงำประคองแขนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญ น, นี่คือความ เ, เจ็บใจนะ น้อยใจเจ็บใจในวาสนางตัวเองเข้าไปสู่ที่อยู่ได้คิดว่าจาักนำสารามาชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรเล่าก็คนอย่างเราจะลาสิขาเสียอย่างไรได้ควรตายเสียเถิดคราวนี้เราฉวยเอามีดโกนเข้าไปนอนบนเตียง ม, มีดโกนและเล่มนั้นเราสบัดดีแล้ว สามารถสะบัดหมายถึงรับสามารถจะตัดเส้นเอ็นให้ขาดได้ฉะนั้นโยนิโสมนิการบังเกิดขึ้นแก่เราโทษปรากฏแก่เราความเบื่อหน่ายในสังขารก็เกิดขึ้นแก่เราเพราะความเบื่อหน่ายในสังขารนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้วคำว่าเบื่อหน่ายเห็นโทษวิปัสนาญาณครับเป็นชื่อเรียกวิปัสนาญาณ จิตของเราหลุดพ้นแล้วนี่ก็คือมัคคยานขอท่านทั้งหลายจงดูความที่ทำเป็นธรรมดีวิชาสามเราได้แล้วบรรลุแล้วคำสอนของพระบุทรเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วนี่เป็นคำเล่า<อ>คำต่อคำของท่านอันนี้องค์ที่สองรอยสิบกท่านกาติยานะท่านกาติยานะเนี่ เป็นพระอีกองค์หนึ่งที่มีกิเลส ต, ตัวหนึ่งรุนแรงหนึ่งในสามเราพูดมาสององแล้วองนี้เป็นองที่สามคือความง่วงรุนแรงมากขนาดเดินจงกรมเนี่ยซุดทวบลงไปกลางที่จงกรมเลยเหมือนกับคราวที่แล้วเล่าไอง ก, กมีถีนะมิทธากิเลส ท่านเกิดในสกุพลพราหมโกศิยะโคดเน่ะชาวเมืองสาวัตถีกาติยะเนี่ยเป็นชื่อโคดข้างฝ่ายแม่คือแขกเนี่ยบางทีเขาก็ เ, เอาเอาข้างแม่มาเรียกเอาข้างพ่อมาเรียกแม้แต่คําว่าปุตตะปุตตะต่อท้ายภาษาลิบุตรเอาเอ า, เอาแม่มาเรียกน้องชายภาษาลิบุตรเอาพ่อมาเรียกอยู่องค์ที่ชื่อ อุปเสนาวังคันธบุตรปัาริบุตรเอาแม่ข้างแม่มาเรียกสาลีท่านองค์นี้น่ะเป็นเพื่อนสมัยเป็นคราห์ตของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เราเคยเอ่ยมาแล้วนะครับองค์ที่สามสิบห้าที่ชื่อว่าสามั ญ, ญการนิเป็นเพื่อนกันมาทั้งแตเป็นคราห์ตแล้วก็ท่านสามั ญ, ญการนี้เนี่ยออกบวชก่อนท่านกาติยานะก็รักเพื่อนเห็นว่าเพื่อนบวชก็บวชบัง ออกบวชตามเพื่อนบวชตามๆกันนี่ก็เยอะเหมือนกันบวชตามนี่คือตามโดยไม่รู้ไม่ชี้ก็มีตามเพราะเชื่อมั่นในศรัทธาศรัทธาตามนะว่าเพื่อนศรัทธาต้องดีก็บวช ด, ด้วยศรัทธาตามเป็นศรัทธาที่อาศัยการกระตุ้นเตือนจากบุคคลอื่นแต่้ตามโดยเห็นแก่สนุกตามเพื่อนนั้นก็มีแต่องค์นี้นะเข้าใจว่าบวช ด้วยศรัทธาตามเพื่อนแล้วบางคนก็บวช ด, ด้วยความผูกพันกับเพื่อนก็มีห่างเพื่อนไม่ได้ก็บวชเพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเมื่อบวชแล้วก็บําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานก็นัง่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นปกตินะฮะแต่ว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้ง่วงมากเพราะฉะนั้นว่าคืนหนึ่งเนี่ยความง่วงครอบงําท่านจัด คือปกติถ้าอาคนง่วงแล้วมีวิริยะอ่อนมีสัจจะอ่อนไม่มีอธิษฐานเนี่ยก็มีไม่มีการฝืนง่วงก็นอนเราสังเกตได้นะอย่างเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีตั้งสัจจาไม่เคารพอะไรใดที่มันเป็นกติกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยง่วงก็นอนแค่นั้นก็จบกันแต่ว่าถ้าคนไปอยู่ในสํานัก ที่มีระเบียบมีกติกามีการควบคุมจากครูบาอาจารย์หรือคนที่ตั้งกติกาควบคุมตัวเองเช่นตั้งอธิษฐานควบคุมตัวเองตั้งสัจจะควบคุมตัวเองแล้วก็ขรหว่างทำน้งเกิดง่วงง่วงอย่างนี้นะความรู้สึกในทางสัจจะในทางอาธิษฐานยอมไม่ได้ยอมนอนไม่ได้เพราะถ้านอนก็เสียสัจจะก็ไม่นอนไอ้ความง่วงมันก็จะนอนมันก็ยือกันไปยือกันมา มันก็เลยเกิดสภาพที่เรียกว่าต้องนอนโดยไม่เสียสัจจะนอนโดยไม่เสียสัจจะนอนยังไงครับเราก็ไม่ได้ตั้งใจเลิกมันนอนของมันเองอะ่ะล้มแผลลงกลางที่จงกลมอย่างบางที่หลับกลางอากาศที่เรียกว่าหลับกลางอากาศหลับบุบไปเลยนะไม่ได้มีบุพเพเจตนาจะหลับหรอกแล้วไม่อยากหลับด้วยแต่เพราะว่า ไอ้กิเลสมันแรงหรือเหตุปัจจัยข้างกิเลสคือทีน่ามิทะเนี่ยมันศบเหมาะกันก็เลยทําให้เกิดกับนี่เมื่อหลับก็มีอาการถ้าหลับขณะนั่งก็อย่างหนึง่งหลับในขณะเดินจงกรมก็อย่างหนึง่งถ้าเดินจงกรมแล้วหลับเนี่ยบางทีก็มันไม่ล้มอ่ะบางทีมันเดินแล้วมันเคลิมลืมมาเลยวูบลืมไปแต่ไม่ล้มแต่อย่างนี้นะแสดงว่าง่วงจัดมากจนเป็นเหตุทําให้ ลมลงบนที่จงกลมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นลมนะลมแบบเป็นลมคำ อ, อันหนึ่ง น, นี่ลมพองง่วงจะปนเพลียด้วยอย่างไรหรือไม่ก็ได้เพราะว่าท่านบอกว่าในตอนจะลมก็มันค่อยๆงนเงนิงนงเงนินงเงินงนไปงนมาก็ทรงตัวไว้ไม่ได้ลมเลยทีนี้สมัยก่อนนี่ดีอย่างถ้าเรา ไปบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดพระพุทธเจ้าเป็นเวไนยของพุทธเจ้าหรืออธิษฐานฝากฝังไว้กับพระพุทธเจ้าท่านจะรับดูแลนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านจะรับดูแลแล้วก็บางคับกษัตริย์มาที่จะดูแลพ ร, รอ้อมๆกันได้หลายคนหลายองค์ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นตลอดแล้วก็ทรงรู้ได้วว่าคนบางคนเนี่ยต้อง เกิดความพลาดพลั้งอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วถึงสติถึงตื่นยานดึงปรากฏท่านก็คอยยังหวะนั้นพอพระองค์นั้นล้มยังไม่ทันจะลุกไม่รู้จะคิดลุกกบล้านะก็ทรงสเสด็จไปเลยสเสด็จไปเองเลยนี่เวลาบอกว่าสเสด็จไปโดยโดยพระองค์เองก็จะบอกน ะ, สะเสด็จไปโดยโอภาสก็จะบอกนี่สเสด็จไปเอง และการเสด็จไปนั้นได้ทรงเสด็จไปยืนลอยอยู่ประทับยืนลอยอยู่ให้เห็นพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านั้นนะครับตาสว่างพลึบขึ้นมาหายง่งเป็นปลิดทิ้งก็เข้าไปถวายบังคมแล้วก็ลุกขึ้นมายืนสงบพระภูมียอ้าก็ทรงแสดงทำให้ฟังพอแสดงธรรมจบบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจบรรมเตศนาเลยนี่ ก็ก็เรียกว่าล้มแล้วลุกลุกแล้วไม่ล้มด้วยอาการอย่างนั้นอีกเลยเทศนานิสันเทเทศนาไว้ยาวนะอห่างเช่นบอกว่าจงดูก่อนว่ากาดิยานะจงลุกขึ้นนั่งเถิดกาดียานะอย่ามัวนอนหลับอยู่เลยจงตื่นขึ้นเถิดอย่าให้มัจจุราชเป็นพวกพองของคนประมาทท่านผู้เกียรติครั้นด้วยอบายอันโกงเลย แล้วก็ตัดยาวเลยครับเป็นบทเทศนายาวให้ตื่นจากความง่วงแล้วก็ให้ตื่นจากกิเลสทุกอย่างได้ในที่สุดจากนั้นเราเลยไปถึงองค์ที่สองร้อยสิบเจ็ดองค์ที่สองร้อยสิบเจ็ดชื่อว่ามิกขชาละพระมิกขชาละนี้แปลว่าไขา่ดับเนื้อก็เห็นได้มิกขะนี่มันก็คือกวางหรือเนื้อ แล้วก็ชาละแปลว่าขายท่านผู้นี้นะเราอาจจะไม่นึกพอถ้าเอ่ยถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งทีเดียวครับว่านางวิสาขานี่เราได้ยินว่ามีลูกเยอะใช่ไหมลูกชายก็เยอะลูกสาวก็เยอะและนางวิสาขาเองเนี่ยตัวนางเองเป็นแค่พระโสดาบันจน ถึงเดือนนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นที่ห้าเป็นใหญ่เป็นโตอยู่วันนั้นนางเองเนี่ยมีลูกเจ้าเหล่าล้างใครบ้างเราก็รู้ไม่หมดกพลูกเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้นะได้โปดรดทราบว่าท่านมิกชาละเป็นลูกชายคนหนึ่งของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเกิดที่เมืองสาวัตถีเราไปเมืองสาวัตถีนี่เรา ยังไม่ได้รับรู้ว่าบ้านนางวิสาขาอยู่ตรงไหนรู้แต่บ้านอนาถรู้แต่บ้านองคกลิมานใช่ไหมไหนมีใครรู้บ้างว่านางาบ้านนางวิสาขาอยู่ตรงไหนเขาคนเขาอะไรกันหรือยังผมยังไม่รับทราบตอนนี้ใครรับทราบก็ช่วยบอกด้วยน่าจะมีอะไรเหลือๆ อ, อยู่บ้างแล้วเป็นบ้านของมหาเศรษฐีคนหนึ่งในยุคนั้น ถาไปใหม่จะลองไปสืบถามดูครับที่ได้เข้ามาบวชมาอะไรนี่ก็เกือบจะอนิฐานได้แล้วครับว่าเพราะว่าท่านได้แม่ที่เป็นคนใกล้ชิดศาสนานั้นสถานที่ที่แม่ไปบ่อยที่สุดไม่ใช่ศูนย์การค้าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวใดๆแต่เป็นวัด เป็นวัดโดยเฉพาะเมื่อพระพุทมีาพระภาคในทรงเสด็จไปประทับเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยเป็นเป็นสถานที่ที่จะเรียกก็เป็นที่เที่ยวก็เป็นที่เที่ยว ท, ท, ที่ดีที่สุดสนุกที่สุดชื่นใจที่สุดตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเบื่อเลยมีแต่ทําให้เกิดความรู้สึกยิ่งนานยิ่งสนุกยิ่งนานยิ่งตื่นเต้นยิ่งนานยิ่งซาบซึ้งไม่เบื่อครับ เหมือนอย่างเราไปเที่ยวเมืองนอกเมืงนาอะไร